بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبيه و م س ف ا ه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين و م ن ت ب ع ه م بحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك ي باكبينان وسورة التوبة بن سورة เป็นสุราที่มาบำบัดหัวใจทั้งผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งกลุ่มกับ ก, อก่อก็คือกลุ่มมุนาฟิกีนตลอดจนกลุ่มผู้ศรัทธาที่มีความมั่นคงในอิมานอยู่แล้วเนื่องจากว่าคำสั่งสอนในสุราอัลาวานี จะเป็นเชิงนิยามกำหนดนิยามตามเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าให้ผู้คนทั้งหลายได้ปรับทัศนคติและมนุภาพของประเด็นต่างๆที่เคยมีจารีตหรือเคยมีเงินไขหรือเคยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดที่ คนเขาเคยชินกันสุรเดวบ้านนี้ก็มาปรับปรับเปลี่ยนความเขา้าใจเหล่านั้นให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของลัทสุภานขอาพเาเช่นที่ผ่านมาเรื่องการทำบุญเรื่องเปรียบเทียบระหว่างคนที่บุรณะมัสชิดกับคนที่ศรัทธาและต่อสู้ในอันต่างของล l l a คนในสมัยยาฮิลิยาหนี่เขาเขามีความเข้าใจอาจจะเป็นความเข้าใจที่มาจากศาสนาสืบทอดจากท่านนาบีอิบราฮิมก็ได้แต่อิสลามก็มายุบเลิกหรือ <c oughs> อาจจะเป็นความเข้าใจที่ชาวบ้านนามาบิดเบือนคําสั่งสอนดั้งเดิมก็ได้ซึ่งในความสํานึกของอับดุลเลาะหเขาก็มองว่าเรื่องกาบะมัสซิดาลรอมในที่ว่าเป็นศูนย์กลาง ในหัวใจของชาวอาหรับ ท, ทั้งหลายฉะนั้นคนที่จะรับใช้ดูแลมัสยสิดฮารอมหรือกาบาเนี่ก็ถือว่าเป็นคนเลิศแล้วคนที่สุดแล้วของความดีศาลามก็เลยมามาเปลี่ยนความเข้าใจว่าถึงจะบุรณนะมัสยสิดฮารอมดูแลกาบาดูแลคนที่มาสแสวงบุญ ให้น้ำเครื่องดืม่มอาหารก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ประพฤติตามคำสั่งของอรรระนี่ก็การบูรณากาสิ่งของเขานี่ก็ไ ร, ไรผลหรือไม่มีความประเสริฐซึ่งเป็นความเข้าใจใหม่จริงๆเป็นความเข้าใจที่อาหรับเขาไม่ไม่ไม่คุ้นเคยกัน และปรากฏว่าควาเข้าใจของเจฮิลิะนี่อย่างที่เคยอธิบายมันก็มีในทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งบ้านเรานะว่าว่าการทาบุญให้อาหารให้อาหารอันนี้เขาถือว่าเลิศดเลือดแล้วแล้วก็บางคนเขาเข้าใจว่าเรื่องทาบุญ เ, เลี้ยงอาหารนี่มันมันสามารถที่จะกลบ ความผิดและบาบอื่นๆนี่ง่ายซึ่งมันมันไม่ใช่อย่างที่คนคนเขาเข้าใจทั่วไปมันมีบางอย่างนี่จะทำบุญแค่ไหนนี่มันก็มันก็แก้ไม่ได้มันต้องเลิกในความผิดในบาปที่เราทำอยู่เสียก่อนวอนนี้ก็มาเริ่มต้นอีกอความเข้าใจซึ่งเป็นความเข้าใจค่อนข้างสากล น, นั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับบ ความรักความสนิทสนุมเราก็จะได้ยินคำว่าความรักไม่ความรักไม่มรู้จักเชชาติไม่รู้จักศาก ส, สนาไม่รู้จักสีผิวหมายถึงว่าคนเวลาจะรักเนี่ยเขาไม่ไม่เรื่องศาสนานี่มันจะไม่ไม่มายุ่งหรอกเรื่องสีผิวเรื่องอะไรมันจะไม่มายุ่ง มันก็จะเห็นคนผิวขาวอาจจะรักคนผิวดำหรือคนศาสนานี้ก็จะชอบคนในศาสนานี้อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันว่ามันมีจริงเาคนเวลาจะชอบใครเ่นะสิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวกับตัวร่างกายสรีระและอุปนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ย มันจะไม่ไม่จะไม่เป็นเงื่อนไขเสมอไปอิสรามก็จะมายืนยันว่าความแตกต่างทุกอย่างย่อมไม่มีไม่มีผลในการสร้างความประเสริฐแต่ความประเสริฐที่เราจะต้องคํานึงเสมอนี่ก็คือเรื่องเรื่องศีลธรรมก็คือเรื่องศาสนานั่นแหละและการ ที่มันสม่ำเสมออยู่แล้วเนี่ยอินนักเรมคุัลลอฮอกคุณนที่มีเกียรติสูงสุดนะอัลล์นี่ก็คือคนที่มีตะวะมากที่สุดทั้งหมคนที่ยัเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดท่านนบีลลัลลอฮอลฮิวะัลลัมเบอกว่าราฟลอบยัะลัสวดะลาลอัะลัรอคนผิวขาวคนผิวดำคนผิวแดงกับคนผิวเหลือง หามีเช่นนั้นไม่ไม่ไม่มีมีใครใครจะเนือกว่าใครเพราะสีผิวของเขานี่ในมีบอกว่ไม่มีุลลุุมลีอาดัมาดัอาดัมว่าอาดัมว่าอาดัมว่าอาทั้งหลายมน่ษย์ทั้งหาายเนี่ยอ้วนเป็นลูกหลว่าอาดัมว่าอาดัมว่าอาดัมวายาดัว่าแหล่งกํานิดียวันอหล่งกํานิดียวกันก็ไม่าอาดั่าอาดัมว่าอาดัมว่า นบีบอกว่าอลบตักว่ายกเว้นด้วยความยำเกรงใครที่ยำเกรงกว่าก็จะมีความประเสริฐมากกว่าสอดคล้องกับคาสังสอนี้ในอลกุรอานคำสังสอนเนี่ยอินอากระมะคุบานั่นและลายอักุรอานในสุรษะอัลฮุจรอต้งต่ไม่พิลฮดีซีท่านบีบอกว่าไม่มีผิวขาวก็จะประเสริฐกว่าผิวดำในมีอันนี้นบีพูดตั้งแต่อยู่มักกะตั้งแต่ชาวอาหรับนี่ดูถูกทนบิลลลท่านนี ไม่ไม่เกี่ยวกับผิวผิวเป็นเรื่องที่น บ, บีพูดมานานละแต่พอมาก่อตั้งสังคมมุสลิมมันก็ยังมีความความเข้าใจที่ยังคุมเคืออยู่ยังคุมเคือเราไม่ไม่พูดถึงความประเสริฐนี่ไม่ไม่ปฏิเสธแล้วคนที่คนที่มีตั้กว่าประเสริฐประเสริฐกว่า คนที่มีตวควา ม, มากกว่าย่อมประเสริฐกว่าแต่ความรักที่เราจะมีต่อกันความรักที่เราจะต้องมีต่อกันและสืบเนื่องจากความรักนี้ก็คือความไว้วางใจเพราะเมื่อรักใครเนี่ยเราก็จะไว้ใจเขาความไว้วางใจนี่คือผลพวงที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะถ้ารักแล้วก็ไม่ไว้ใจแสดงว่า ก็ไม่ได้รักรักแล้วไม่ไว้ใจได้แสดงว่าไม่รักเขาเข้าใจตรงนี้ให้ให้ให้ให้ชัดเจนว่าความรักที่เราหมายรวมเนี่ยคือความรักที่มันบริบูรณ์นะไม่ใช่ความรักแบบเลือกปฏิบัติหรือความรักบางส่วนเพราะเรื่องความรักบางส่วนมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่ความรักที่เราหมายรวมที่ศาสนาหมายรวมอ่า คนเราจะรักต้นไม้รักแมวรักหมาก็ก็ได้แต่จะรักแมวเหมือนรักคนไหมไม่เหมือนคนเรานี่จะรักคนรับใช้ที่ทํางานอยู่ไปแทบบังคับบัญชาแล้วก็รักลูกเหมือนกันแต่ความรักมันจะเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันมีข้อแตกต่างเองแน่นอนความรักดีอิสลามกําลังปรับทศนคติตรงนี้เนี่ย ความรักที่สุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันอันที่จะให้คนที่เรารักเขาเนี่ยเป็นมิตรเป็นคนที่ไว้วางใจเป็นคนที่สามารถมอบชีวิตมอบทรัพย์สินมอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยสบายใจโดยที่ไม่มีไม่มีความแข็งใจไม่มีความอึดอัดเลยความรักตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ย สมัยยุคยาฮิเลียเนี่นะเขาเขามีกันถึงแม้ว่าศาสนาไม่เหมือนกันเช่นที่มักกะนี่ก็จะมีชาวอาหรับเผ่านู่นกับเผ่านี้เขาจะเขาจะสัตยบาบันกัน ว, ว่าจะเหมือนเหมือนสาบานร่วมสาบานกันนะ่ว่าจะเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยแตถึงขนาดที่ใครที่ร่วมสาบานกันให้สัตยบาบันกันเนี่ยอาจจะเซนิเสนมมากกว่าญาติพี่น้องแท้ๆของเขา การีตประเพณีนี้เขาก็ให้ความศักดิ์สให้ความสําคัญมากสมัยยุคไจเอเลียที่มาดีนะชาวมาดีน่เนี่ยก่อนที่จะอิสลามท่านตนบีจะไปมาดีน่เนี่ยชาวมาดีนะบางเผ่าบางกลุ่มอย่างอัสลากะคอซรัสเนี่ยเขาจะเป็นพันธมิตรกับยูบางเผ่ายิูก็มีหลายเผ่านะบรรุนาดีรบรรุคูเรซาบรรุไควนูก้าเนี่ยแต่ละเผ่าที่เป็นชาวมาดีน่เนี่ย เขาก็จะเลือกเผ่ายิวเผ่านึงเผ่าใดแล้วก็ไปไปร่วมสาบานสาบานสนับสนุนเป็นมิตรกันช่วยเหลือกันปกป้องกันคุ้มครองกันซึ่งเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการก่อตั้งสังคมใหม่สังคมสังคมผู้ศรัท ธ, ธาในเมื่อชาวมาดินาที่เป็นชาวอันซอดแล้วเนี่ยเขายังมี ความเป็นมิตรกับยิวบางคนชาวมุฮัจเรีนบางคนก็ยังมีบุคคลที่เป็นมิตรที่มกค้าที่เป็นผู้ปฏิเสธทานะอาจจะเคยช่วยเหลือกันบ้างอาจจะเคยสนิทสนมกันบ้างก็ยังรู้สึกถึงความเป็นมิตรทั้งทั้งดีชาวมกค้าเนี่กลายเป็นศัตรูของอิสลามแล้ว หลังจากที่ขับไล่ท่านนาบีแล้วต่อต้าน อ, อ, อิสลามชาวยาฮูดนี่ก็เป็นศัตรูกับอิสลามกับท่านนาบีแล้วหลังจากที่ได้วางอุบายในการสังหารท่านนาบีและแล ะ, แล ะ, และร่วมร่วมแผนกับชาวมกักกะในการถล่มแล้วก็บุบ ก, บกรุกรุกมาดีนะเรากำลังคุยเรื่องเงื่อนไขของพลเมืองที่มีความ เลื่อมใสจุงรักพักดีต่อแผ่นดินต่อชาติแต่เทียบแล้วนะคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆสมมตินะครับคนพม่ามาปักหลักที่เมืองไทยทั้งชีวิตมาแต่งงานคนไทยได้สัญชาติเป็นคนไทยแล้วนะผู้ไทยไทยแล้วก็เป็นพนล้วเมืองมีสัญชาติได้เนี่ยเป็นพนล้วเมืองเป็นคนไทยแท้แท้ และสมมติว่าประกาศสงครามกับพม่าสมมุตินะว่าไทยประกาศสงคราม น, นี้ทั้งหมดนี่ผมยกตัวอย่างพี่ลองให้เห็นภาพคนที่เป็นคนพม่าเนี่ยจะต้องทํำยังไงมีทางเลือกไหมอ๋อเลือดเนื้อฉันเดิมนี่เป็นคนพมา่าฉันต้องช่วยเหลือพมา่าในสายตาของคนไทยเนี่ยจะเป็นอะไรจะเห็นใจไหมอ๋อน่สงสารสองจิตสองใจ อ๋อเขามีญาติพี่น้องก็เราจะมองอย่างนั้นไหมคเป็นเรื่องปกติถ้าคุณอ่านกำลังมองถึงสังคมที่กำลังลกำลังต่อต้าหมัซึ่ ง, ส, งสังคมนี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อาจจะไม่เหมือนเนียมเนียมคำว่าประเทศในปัจจุบันที่มีแผ่นดินมีพรมแดนมีอธิปไตยมีกฎหมายของเขา้า อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เพราะตอนนั้นแผ่นดินของอิสลามมันยังไม่ชัดเจนพรมแดนยังไม่ชัดเจนแต่สังคมนี่มันมีความชัดเจนแล้วและการประชิญหน้าระหว่างระหว่างสังคมผู้ศรัทธาและคนที่ไม่ประสงค์ดีไม่หวังดีกับสังคมผู้ศรัทธานี่มันก็ปรากฏแล้วชัดเจนคือการประทะความที่ไม่หวังดีกันต่อกันเนี่ยมันมีชัดเจนแล้วเพราะนั้นถ้ามีใคร ในหมู่ผู้ศรัทธานี่มีความเป็นมิตรหรือมีความความเลื่อมใสความความสนิท ส, สนมกับบุคคลที่เป็นศัตรูนี่ถ้ายังมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอุรอรณจะปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยมันผ่านไม่ได้เพราะมันจะทำให้มีความเสื่อมเสียในด้านความมั่นคงซึ่งมันเกิดขึ้นจริง สูวนตัว้านีหลังตัวบ้านนี่หลังสงครามตะบุกปีที่เก้าปีที่แปดก่อนที่นบีจะพิชิตมักกะนี่นบีได้วางแผนว่าจะพิชิตมักกะแต่ปกปิดแผนไม่เปิดเผยเพื่อไม่ให้ชาวมักกะได้รับรู้เพราะว่าบีทราบาคนหนึ่งเขามี ลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่มกาที่ยังไม่สามารถอพยพจากมกาซึ่งเป็นคนยากจนคนอ่อนแอคนยากจนคนอ่อนแอในยุคนั้นนะ่ะในยุคนั้นนะ่ะก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีคน ร, ำร่ำรวยไม่มีไม่มีคนที่มีอำนาจที่จะมาคุ้มครองนี่ก็ก็ต้อ ง, ต, องต้องรอชะตากรรมว่าจะเป็นยังไง ทนี้สายบางคนนี้เนี่ยก็เป็นห่วงญาติพี่น้องก็าที่อยู่ที่มักกะก็เลยส่งจดหมายไปให้ชาวกุเรชรับรู้ว่าท่านนาบีกําลังเตรียมที่จะบุกมักกะพิชิตมักกะและขอให้คุ้มครองคุ้มครองญาติพี่น้องลูกหลานที่ที่อยู่ที่มักกะจดหมายนี้ก็ฝากไว้กับ กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางมันเป็นแม่ค้านะเดินทางระหว่างมักกะกับมาดินะาแล้วก็เอาเอาจดหมายนี้มาซ่อนใต้เปียบผมของของนางอนะอัลลอฮ์ก็แจ้งข้อมูลนี้กับท่านนาบีนบีก็เลยส่งอาลีบีต้อนจะได้ไปจับกลุมผู้หญิงคนนี้สรุปสรุปแล้วก็ได้ได้ ได้จดหมายฉบับนี้แล้วก็เรียกสอาบะวันนี้มาสอบสวนสอาบะคนนี้เนี่ยก็บอกกับออกตัวกับท่านนาบีว่าเขาไม่ได้ตกศาสนาไม่ได้ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มุดตัดแตีงใดแต่เขาแค่เป็นห่วงญาพี่น้องที่ทําท่านนาบีบังเอิญสอาบะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยร่วมทําสงครามกับท่านนาบีในสงครามบอร ซึ่งสงครามบาตุเนี่ยนบีการันตีกองทัพมุสลิมทั้งหมดเนี่ยว่าเราให้อภัยโทษและจะเป็นชาวสวรรค์แต่ว่ า, า น, น้องมารุนน์เขตอบนี่รู้ว่าสหายบางคนนี้ได้เขียนจดหมายไปให้ชาวกรีบอกเอามาบอกว่านบีอามีนนอัตได้ชนิดตัดคอตัดคอคนนี้เลยพวกคนนี้เนี่ยอเหมือนเป็นกาฟเฟสแรมไปเข้าข้างเข้าข้าง และบีก็เลยบอกว่าไม่มีทางคนนี้เป็นคนที่ทําสงครามบัตรและฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะตกศาสนาหรือจะสนับสนุนศัตรูแต่อใดแต่มันหนีไม่พ้นว่าสิ่งที่สฮาบะได้ทําเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่แต่เจตนาดีของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ตกศาสนาเท่านั้นนะแต่มันก็เป็นบาปใหญ่แล้วรับประทาน ส و, و, و, و, و ر ษ ا อั م ม ح ม ن هر อัลมุมถะน์นะรำตุนดียอ๋ยทั้งีนาอัมนำและจะถ้าดูวัลอาดูวกคุมอัลเลียศัตตาชนทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านจงอย่ายิดเอาศัตรูของฉันและศัตรูของพวกท่านเป็นมิดเป็นมิรกุเรชเนี่ยเป็นศัตรูของอัลลอฮ์สูลและศัตรูของผุ้ศตาและเป็นศัตรูของซาบันเคยสู้รบเคย ปันอาวุธฆ่ากันนะ่ะในสงครามะานถังเป็นตรูแน่นอนแต่ไปเข้าใจว่าเขาสามารถช่วยเหลือเขาในการคุ้มครองลูกหลานเขาไนดะ้แค่นี้นะอันนี้ก็ให้ความไว้วางใจในฐานะที่เป็นมิตรระดับหนึ่งนี่ปีที่แปดนะปีที่แปดที่รสกกาปีที่เก้ามันก็จะเกิดปัญหานี้ ระหว่างชาวอังซอรบางกลุ่มที่สนิทสนมกับยิวฮุดหรือชาวม uh ุฮัจิรินชาวมุฮัจิรินก็คือคนที่ไม่ใช่เป็นชาวมาดีนนะเราอพยพมาจากไม่ใชีมาเ ก, กะอย่างเดียวนะทุกคนที่อพยพจากถิ่นของเขาเนี่แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่ก็เรียกว่ามุฮัจิรินทั้งสิน้นอย่างอบูฮุเรลรอห์นั้นเป็นมุฮัจิรินแต่ไม่ได้มาจากมักกะอบูฮุเรลรอห์มาจากเผ่าวดาว้าอุส ถิ่นเขาตอนนี้นเนี่ยก็อยู่แถวยีเมเนตอ่าแต่เขาก็เป็นมุฮาจรีนแ้ามุฮาจรีนบางคนก็อาจจะสนิทสนมกับอาหรับที่เป็นมุชริกีนที่ตังภากีบางคนสนิทสนมถึงขนาดที่ไม่ไม่คือลังเลนในการที่จะไปสู้รบกับเขาอะไรแบบนี้ หรือแม้กระทั่งในสังคมมาดีนะซึ่งการประทะด้านความคิดก็คือเรื่องศาสนาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากเพราะครอบครัวเดียวกันลูกรับศาสนาพ่อยังไม่รับลูกสาวรับศาสนาแม่ยังไม่รับสามีรับศาสนาภรรยายังไม่รับลองคิดดูซี มันมันเป็นภาพที่ค่อนข้างยุ่งยากสําหรับคนที่บริหารสังคมและจะยุ่งยากมากกว่านั้นน่ะถ้าจะมาบริหารความรู้สึกบริหารความรู้สึกยังไงคนที่เป็นผู้ศรัทธานี่ก็จะต้องปรับความรู้สึกให้มีความสมดุลให้มีความพอดีความรักที่จะต้องมีต่อผู้ศรัทธาต่อล l l a h ต่อ Rasul ต่อสังคมมุสลิมความเลื่อมใสต่อต่อเอกภาพของสังคมมุสลิมและในขณะเดียวกันความรักที่เขาต้องมีต่อพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเพื่อนฝูงมิตรสหายที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาก็ต้องมีความรักต่อเขาเหมือนกันแต่จะทํายังไงให้ความรักสองอย่างเนี่ยมันมันไม่ปะทะกันและมันไม่สร้างความเสียหายกับหลักการศาสนา นี่สุรตนว่มามพูดถึงเรื่องนี้ฉะนั้นอาย่านี้ก็จะปรับความเข้าใจแล้วก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องคำศัพท์ซิ่งถ้าเข้าใจตามคำศัพท์ของคุรอ่านและตามสิ่งแวดล้อมที่มันเกี่ยวกับสถานการณ์เราจะไม่มีความสรรับสนแต่มีหลายกลุ่มที่ได้ศึกษาอายะแบบนี้นะครับ อย่างอย่างอายะห์ที่อายะห์ที่23มเนี่ยแล้วไปตีความวา ส, สนาเนี่ยไม่ให้รักไม่ให้รักบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเลยซึ่งความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนี้เดี๋ยวเราก็อธิบายที่ไปที่มาของมันแล้วก็ปัส่งผลกระทบยังไงรับภาพลักของของมุสลิม ของหลักการศาสนาโดยรวมแต่นี้มันไม่ใช่ความผิดของหลักการศาสนานี่คืความผิดของมุสเป็นความคาดเคลื่อนของคนที่ไม่เข้าใจหลักการศาสนาคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดีเลยเนี่ยไม่ใช่มุสลิมไม่ได้หวังดีแล้วอาจจะเป็นมุสลิมมุสลิเองด้วยนะที่เข้าใจหลักการแบบเพี้ยนเพียนแบบคาดเคลื่อนส่งให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยเนื่องจากเขาเข้าใจว่านี่คือหลักการแล้วปฏิบัติอะไรนี่ก็อ้างถึงหลักการแต่สิ่งที่เขาอ้างนี่มัน ما لم يتوطّن. صلّى الله تعالى عليه وعَاد ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أ ن استحب الكفر على الإيمان و م ن ي ت و ل ه م منكم فأولئك هم الظالمون. بندعبو ستعت اللهي. يا أيها الذين آمنوا بندعبو ستعت اللهي. แสดงว่าเรื่องดังต่อไปนี้มันจะเกี่ยวกับผู้ศรัทธาอย่างเดียวมันเกี่ยวกับปรับความรู้สึกของผู้ศรัทธาแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธานี่ยเขาจะไม่มีภารกิจเรื่องนี้เขาจะไม่ต้องไม่ต้องมามามายุ่งยากในเรื่องในเรื่องปรับความรู้สึกตรงนี้และแต่แต่ขีดูจงอย่าได้ถือเอาอย่าได้ถือเอาอาบอากรม ถือใครอาบากุมบิดาของพวกเจ้าอิขว่านากุมและพี่น้องของพวกเจ้าเอวเลียอะอย่าถือเอาบิดาและพี่น้องของพวกเจ้าเอวเลียเป็นมิตรอย่าถือเขาว่าเป็นมิตรอย่าถือเขาว่าเอาเลียซึ่งแปลคําว่าเอาเลียเอาเลียเนี่ยพระอุปธิเหตคำพูดของวันนี้ก็คือ วัลีวัลีุนวัลีวัลีมีหลายความหมายวัลีแปลว่าญาติพี่น้องใกล้ชิดคนสนิทสนมวัลีแปลว่าผู้ช่วยเหลือวัลีแปลว่าผู้ปกครองเรียกว่าวัลีวัลีเจ้าสาวะลีมีหลายความหมายแต่วัลีตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าบุคคลใกล้ชิดที่สุด ที่ให้การสนิทสนมมากกว่าผู้อื่นมากกว่าคนทั่วไปนี่คือความหมายของคําว่าเอาเลียตรงนี้แปลเป็นภาษาไทยนี่เป็นมิตรอย่าถือเขาเป็นมิตรมันอาจจะสนองความเข้าใจระดับหนึ่งแต่มันอาจจะสร้างปัญหาถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจที่ไปที่มาของอายะเศนถ้ามีใครจะมาตั้งคํารรม พ่อแท้แท้แม่แท้แท้ผีน้องแท้แท้จะไม่ให้เขาเป็นมิดแล้วใครจะเป็นมิตรล่ะคนเหล่านี้ถ้าไม่เป็นมิดแล้วใครจะเป็นมิตรล่ะไม่ใช่เป็นมิตรนี่เป็นมิดนี่มิดนี่ก็มีหลายมิตรไงมิตรนี่ก็มีหลายมิตรพ่อแม่นี่เป็นมิดแน่นอนเป็นมิตดเป็นเป็นเป็นมิตรในฐานะในฐานะสายเลือดแต่ไม่เสมอไป นี่ไปถามคนที่ทำงานทหารตำรวจความมั่นคงพ่อแม่แท้ๆพี่น้องแท้ๆเมียแท้ๆเลยเป็นมิดไหมเป็นมิดสิแต่ข้อมูลในทำงานน่ะไปบอกกับพ่อแม่ได้ไหมไปบอกกับเมียได้ไหมไปบอกกับนั่งกินข้าวกันโอ้ยตำรวจเล่าเรื่องตู้หา่ามันมันอย่างงาู้นมันอย่างนี้แล้วก็เปิดก็มีมเป็นไปได้ไหม เอา้าคนคนคนเขาถือพ่อแม่เขาเป็นมิตรแต่เวลาทํางานในเรื่องความไว้วังใจเรื่องอะไรบางอย่างนี่มันไม่ใช่มันมิตรอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นมิตรนี่ก็ต้องมิตรด้านการทํางานนี่เขาจะได้ไว้ใจได้ในเรื่องในเรื่องบริหารจัดการให้มันบรรลุความสําเร็จมิตรเรื่องก็มิตอีกอย่างแต่มิตรตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่บุคคลที่จะเป็นมิตรที่เราจะไว้วังใจเหมือน ผู้ศรัทธาถึงระดับผู้ศรัทธานี่เวลาเกิดสงครามระหว่างระหว่างสังคมมุสลิมและก็สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยใครที่จะมาช่วยเราใครที่จะยกดาบอาวุธของเขาเนี่ยมาแลกชีวิตให้เราต้องเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่คนไม่ใช่คนอื่นความม้วยวังใจตรงนี้เนี่ย ที่มันเป็นเงื่อนไขของเขาว่าเอาเหลียะเอาเหลียะนี่ก็หมายถึงว่าเป็นเป็นคนที่เราฝากชีวิตได้ฝากชีวิตเรากับเขาเขาจะฝากชีวิตกับเราแล้วผูกพันซึ่งความมั่นคงของสังคมทั้งหมดนี่คกับเขาได้แต่จะนิยามความว่าความเป็นมิตรในเรื่องอื่นพ่อแม่เป็นเป็นมิตรแน่นอนเป็นมิตรถึงแม้ว่าคนละศาสนากัน เป็นมิตรและให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือให้การคุ้มครองการปกป้องดูแลช่วยเหลือเต็มที่เหมือนกันแต่ความเป็นมิตรที่จะมีสำหรับผู้ศรัทธาและไม่ใช่ผู้ศรัทธาทั่วไปนะเพราะบางทีเป็นผู้ศรัทธาทั้งทีนะแต่ก็เป็นมิตรไม่ได้เขาอาจจะมีพฤติกรรม ม, มีพฤติกรรมหรือมี อะไรบางอย่างที่เป็นนิสัยมารยาทของเขาที่ไม่น่าไว้วางใจก็จะเป็นผู้ศรัทธาแท้ๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นมิตรเหมือนกันไม่ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็เดี๋มีตัวอย่างอยู่ไงอัลลอฮ์บอกว่าอย่าถือเอาบิดามารดาแบบกุมนี้ก็แบบกุมบิดาก็หมายถึงวามั น, มานดาด้วยนะแบบกุมบิดาของพวกเจ้าอีควานกุมพี่น้องของพวกเจ้าเอาเลียอย่าถือเอาเป็นมิตร อินอ so, ินฮักฉัน e ร่านติดกันนะอิน ah, ิสตาฮบุอินิสตาฮบุลกุฟรออาลัยมานพวกเขาชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการ إيمان ชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการศรัทธาดีกว่าหชอบการปฏิเสธศรัทธาเหนือการ إ ม ก็ตั้งแต่อิมานก็ตั้งแต่ปฏิเสธอิมานไปดิชอบปฏิเสธการอิมานเหนือการอิมานนี่ชอบปฏิเสธสถานนี้ก็คืออิมานนั่นแหละถ้ากว่าเขาอิสตับบุสตับบุชอบให้ความสําคัญให้คะแนนให้เครดิตกับกูฟตกูฟต์นี่ก็คือการที่ การที่ปฏิเสธการที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าไม่ยอมรับในท่านนบีมุฮัมมัดไม่ยอมรับในคุรานอาลัลอาลัล إيمان มากกว่าการยอมยอมรับในพระเจ้ายอมรับในนบียอมรับในคุรานชอบกูฟุตมากกว่าอีมานถ้าเขาอยู่ในสภาพนั้นก็ไม่ควรที่จะเป็นมิดย้ำนะครับว่า ไม่ดีอะนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้รักไม่ให้รักใครไม่ให้สนิทสนมไม่ให้ดูแลไม่ให้ช่วยเหลืออายะไม่ไดพูดถึงเรื่องนี้เลยทําไมอ่ะเพราะเพราะไอ้นักบวชเพี้ยนๆนะที่เอากุรอานมาเหยียบอ่ะเขาก็เขาก็พลาดพิงถึงเรื่องเนี้ยเนี่ยคนที่ไม่ได้มุสลิมไม่ต้องต้องฆ่ามันตรงไอ้นี่เขาบอกว่าคําพี่คำบีที่สอนให้เกลียด ให้สูร้รบให้ฆ่าคนที่ไม่ไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยกันนี่เป็นความเข้าใจขาเขาก็จะส่วนตัวทั้งนั้นแล้วก็มาบายสีมาใส่ในคุรานไม่มีเลยนะในกรุรานที่บอกว่าเอ่อให้เกลียดหรือให้ฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ย น, นี่ไม่มีเลยไม่มีแน่นอนเลยแม้กระทั่งคำที่แบบว่ามันตีความหรือไม่ใช่เลยเป็นความเข้าใจส่วนตัวล้วนๆเลย อย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราเล่าสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกับสถานการณ์สมัยท่านดบีเนี่ยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พวกเราทุกคนในยอมรับอย่างตัวอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างาของคนพมา่าส่วนคนพม่ามาอยู่ไทยเป็นมีสัญชาติไทยไทยเป็นเป็นคนไทยเลยอะ่ะแล้วสมมติเกิดสงครามระหว่างไทยกับพมา่าคนที่เคยเป็นคนพมา่าแล้วก็ถือสัญชาติ เขาไม่มีทางเลือกนะในเมื่ออยู่บนบนแผ่นดินไทยถือสัญชาติไทยเนี่ยตอจะต้องเลื่อมใสกับไทยถูกต้องไหมต้องเลื่อมใสเช่นเดียวกันคนที่เป็นมุสลิมเขาไม่มีทางเลือกถ้าเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะก็จะต้องเลื่อมใสกับหลักการศาสนาเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่า ง, างนี่ น, นี่เป็นเรื่องที่ไม่มีไม่มีทางเลือกไม่มีไม่มี50 50 50ห0นี่ไม่ได้ก็ต้องพูดตรงไปตรงมานะครับถ้าเราเห็นใจกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายสากล น, นี่ก็เห็นใจในมาตรการในมาตรการแบบนี้การที่คนจะจะมีความเลื่อมใสในสัญชาติของตัวเองมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินต่อประเทศชาติของตัวเองถึงแม้ว่า ตัวเองนี่มีเชื้อสายมีเชื้อสายของพื้นที่อื่นแผ่นดินอื่นก็ตามในเมื่อในเมื่ออยู่ในสภาวะที่จะต้องเลือกแล้วนะก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกฝ่ายที่เราเราเลื่อมใสกับเขาศา ส, สนาอิสลามหรือคําสั่งสอนอุปถัมนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรเหนือกว่านี้พเในท่ามกลงฟิตร์หนาที่มันเกิดขึ้นในยุคในยุคนั้นนะครับระหว่าง สังคมมุสลิมและก็สังคมที่ไม่หวังดีกับสังคมมุสลิมมันก็จะต้องมีการจำแนก ค, ความรู้สึกความรู้สึกเรื่องนี้ในให้มันชัดจีนและอ well ah um um ัลลอฮฺอัลกุสฺะฮ well ah um ฺนวดะอัลไดย์อัมบอกวะว่เมียตะวัลลฮุมินกุมฟาอุไลกะฮฺมุ่นดาริมูนและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าให้พวกเขาเป็นมิรแล้วเย็นไหว่าเรให้เป็นมิจทนเหล่านี้แหละพวกเขา คือผู้อธรรมพวกข้าวคือผู้อธรรมอิี่มอิบนุกซีร์ในอายานี้เได้รางานในซีรัสนี่ในชีวประวัติของท่านนบีสุลต์ละละออห์ซัลลัลลัมสงครามสงครามบัดรหลังจากสงครามบัดรคือในสงครามบัดรเนยเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่ทำให้อัลลอฮฺสุลตานะวะตาละประทาน ق ر آ ن ا لَمْ أ َ ك ُ ن ت ل َ ه م ب ت ا ل ْ ح َ ق ِّ و َ ل م ج أَكُنْ ل ه ُ م ْ بِالْحَقِّ وَلَمْ أ َُ ن ْ لَهُمْ ب ِ ا ل ْ ح َ ق ِ و ل َ م ْ أ َ ك ن ْ ل َ ه ُ م ب ِ ا ل ْ ح َ ق ِ ي و َ م ا أَكُنْ ل َ ه ُ م ن ا ل ْ ح َ ق ِّ وَلَمْ أَكُنْ ل َ ه م ْ ب ا ل ْ ح َ ق ِّ وَلَمْ أَكُنْ لَهُمْ ب ِ ا ْ ح َ ق ِّ وَلَمْ أَكُنْ َ ه ُ م ْ ب ِ ا ل ح َ ق ََِّ م ْ أ َ ك ُ ن ل ه ُ م ب ِ ل ِ و َ ل ْ أ ท่านจะไม่พบผู้ใดที่ศรัทธาต่อละละันปโรโลกที่จะยึดเอาบิดาของพวกเขาพี่น้องของพวกเขาเครือญาติเพื่อนฝูมิสหายของพวกเขาเป็นมิตรเหนืออัลลอฮ์และรัสูลเพราะว่าอายานีถูกประทานลงมาเกี่ยวกับเหตุการณ์อบูโบรยบดะอาเมร์อิบน์ลจร ่งอย่ในสิบคนที่อับด่ลเนบีการันตีว่าเป็นชาวสวนนึใน10บรรดาผู้เผยแาสนานสรรอบูอูบไบดะอาหมร์บจาลานี่ไปสงนขขบัตรกับท่านนบีและบิดาของท่านเนี่ยพ่ออบูอูบไดะเนี่ยอยู่ในฝั่งของชาวมักกะอบูอูบไบดะเนี่ยก็พยายามเห็นแล้วแหละเห็นพ่อเห็นสังเกตนะสองกองทัพเนี่ยปะทะกันแล้ว อาบวได้เห็นแล้วเห็นพอ่อท่านก็อา บ, บูไปด้นี่พยายามที่จะเลี่ยงคือไปหาที่อื่นที่จะไปสู้รบจะได้ไม่ไม่ประท่ากับพอ่อพ่อไม่ยอมอาบวไม่ได้วิ่งไปไหนเนี่ยเขาวิ่งตามจะไปฆ่าลูกแต่ด้วยสัญชาติตายาณนนะของอา บ, บูไปด้แต่ของพ่อนี่นะไม่มีแล้วนะของพ่อนี่ก็ไม่ลูกไม่เป็นมิตรแล้วนะ ลูกนี่ไปเป็นลูกน้องมุฮัมมัดนี่ก็เป็นศัตรูนี่ฆ่าลูกเลยนะอาบูบัยเด้ผู้สตาหนี่ก็ออยังยังมีคําสั่งสอนที่ที่กําชับว่าให้กตัญญูต่อพ่อแม่ถึงแม้ว่าเป็นผู้บริสตตาพ่อมุ่งที่จะไปฆ่าอาบไบัยด้อย่างเดียวหนีไปไหนเนี่ยไปตามจะไปไข่จนปราชญกันอบูบเยี่นกระเตือนบอกว่าฉันไม่อยากที่จะฆ่าท่าน พ่อเขบอกว่าแต่ฉันนี่หักแต่ข้าดิและเข้าเข้าไปไปไปสู้ไปสู้กับเอาไปนะจนเอาไว้เนี่ยไม่มีคือไม่มีทางเลือกนอกจากว่าต้องลงมือสังหารแล้วก็ฆ่าไปดเาเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆอลัลลอฮ์ก็เลยประทานอญญายันนี้ลงมายกย่องบอกไปเนยะปลอบใจไงเขาก็คือ ถ้าในยุคนั้นนะสมัยนั้นก็ลูกฆ้าพ่อใช่ไหมลูกฆ้าพ่อแต่เราถือว่าในการที่อบอบบรูไบด้านี่พยายามหลีกเลี่ยงที่สุดแล้วในเมื่อไม่มีทางเลือกก็จะต้องปกป้องศาสนาซึ่งพ่อของอบอบบรูไบด้านี่มุ่งที่จะมาทําลายศาสนาทําลายท่านนบดุลเบี๋ยทำลายาอุสตาอบบรูไบด้านี่ไม่มีทางเลือกเลือกเลือกฝ่าย เรืองนี้ถ vale ้าท wow, <hat> ําเป็นถ้า claro ทําเป็นหนังเป็นซีรีส์ในในในรูปแบบในเนื้อหาปัจจุบันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่คนที้ตั้งใจที่มาโจมตีอิสลามมานน่ะก็นี้ไงนะครับเพาใครฆ่าพ่อฆ่าแม่กนมันมันมีมันมีที่ไปที่มาที่ต้องเล่าให้หมดไงและด้วยเหตุนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับสําหรับอุสตาสําหรับมุสลิมมันะ ยากที่สุดบางทีเนี่ยเราปฏิบัติไอบาดาอะไรบางอย่างนี่ที่ดูเหมือนว่ามันยากถือสิ้นอดละหมาดเกียรมุ่นเลลบริจาคทานเรารู้สึกว่ามันมันยากแต่มันจะไม่ยากมากกว่าการที่จะเลือก <c oughs> จุดยืนสนับสนุนความจริงทั้งทั้งที่บางทีไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องหิว อาหารกระหายน้ําไม่ต้องลงทึนสตังไม่ต้องยืนละหมาดอะไรก็มันไม่ต้องลงทึนนะแค่แสดงจุดยืนแสดงจุดยืนในบางทีเนี่ยเสียพ่อเสียแม่เสียเสียเพื่อนเสียทุกอย่างนพอเราเลือกถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องพ่อแม่ไปทะเลาะ ก, กับคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยเขาถูกพ่อแม่เราผิดพ่อแม่หวังว่าเราเนี่ยจะต้องทำอะไร เขาข้างพ่อแม่หวังอย่างนี้ย่งเดียวแต่เราพูดด้วยความด้วยความสงสารเนี่ยแต่พ่อแม่ผิดนะเขาถูกนะเป็นเรื่องเลยตัดตัดพ่อตัดลูกเลยมีเหมือนกันก็มีเหมือนนใช่ไหเพื่อนโดยเฉพาะที่ทำงานเราพูดความจริงพูดสิ่งที่ถูกต้องเสียเพื่อนเพื่อนน้อย หึงบางคนเนี่ยเลือกเลือกที่จะพูดน้อยหรือเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยหรือเลือกที่เป็นกลางเป็นกลางดีนคำนี้บ่อยนะมันมันเป็นคําคําหลอกลวงหลอกก็จริงนะหลอกเอาคนนี้เป็นกลางคือคนนี้เนี่ยไม่เป็นศัตรู ก, กับใครเลยไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยทําไมอ่ะคือคือพยายามที่จะไม่พูดความจริง เพราความจริงเนี่ยคนเขาไม่ชอบกันไงคนไม่ชอบหรือถ้าพูดความจริงเนี่ยก็จะมีบางคนเนี่ยจะไม่ไม่เอาเขาละว ไ, ไม่ไม่ไม่เลือกเป็นเพื่อนนี่นี่เป็นเรื่องสำหรับคนหนึ่งว่าอัลลอฮฺลฮักะเลมยิดละลันะซาฮิบขอขอขอะอ่ลลออภัยความถูกต้องความถูกต้องทําให้เราเนี่ยไม่มีเพื่อนเลย ทำไมอเพราะถึงเวลาที่ต้องพูดความถูกต้องความจริงเนี่ยพอเราพูดแล้ว่นะเพื่อนไม่เอาเลยเพื่อนกระถิ่นและเมียด่กากันล้วน้าซอใหบมาทำให้เราไม่มีเพื่อนเลยพอต้องพูดความถูกต้องก็มันมีความจริงระดับหนึ่งนะครับในชีวิตของเรานี่สิ่งที่ยากที่สุดในเวลาเราเลือกระหว่างการที่จะมีเพื่อนที่สนิทสนุมกับเขา แต่ในขณะเดียวกันเป็นเพื่อนที่ไม่เอาความจริงไม่เลือกความจริงไม่เลือกความถูกต้องเป็นเรื่องที่ลำบากคนพวกนี้คนที่จะเลือกพูดความจริงเลือกที่จะมีจุดยืนถึงแม้ว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ชอบจุดยืนแบบนี้ไม่ชอบความถูกต้องแบบนี้อลัลลอฮฺสุบฮานาหาวาดาร็จะทดแทน ทดแทนให้คนเหล่านี้เนี่ยเขามีความสุขเขามีความสุขในการมีจุดยืนมากกว่าที่คนอื่นเขาคาดคิดว่าความสุขจะมีกับการที่มีเพื่อนมีมีเพื่อนฝูงมีบารมีมีคนรักใคร่มีคนส่วนมากเขาเข้าใจอย่างนั้นนะความความสนุกเนี่มีพักพวกเฮ้ยถ้ากูไม่มีพักพวกอ่ะพรกคพวกคนนี้มี ตำแหน่งคนนี้มีเงินคนนี้มีมีหน้าตาในสังคมทัพวกนี้มีเอากูแล้วกูจะอยู่ยังไงอ่ะคนส่วนมากเขาจะคิดแบบนี้อิ่งสังคมบ้านเรานี่มันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องระมัดระวังมากเลยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ยึดพักพวกยึดสถาบัน ภาคพวกมาก่อนโดยเฉพาะถ้าเรียนรุ่นเดียวกันสถาบันเดียวกันนะนะสถาบันเดียวกันนี่แหละแต่เรียนกันคนละรุ่นคนละรุ่นนี่ก็เหมือนคนละศาสนากันเลยนะคนละแลคนศาสนาสถาบันกับสถาบันเนี่ยหมืนเหมือนคนต่างชาติไปเลยนะคนประเทศกันเลย นี่มี น, น, นี่สังคมไทยนี่มีแรงแรงด้วยแต่เีพอผมพอ ผ, ผมอยู่เคยใช้ชีวิตหลายประเทศหลายถิ่นนะเออเมืองไทยนี่แรงแรงมีหรอกที่อื่นเนี่ยสถาบัานอื่นๆนะนะการศึกษาอะไรก็ตามมานะที่อื่นเเรื่องโลโก้เรื่องเรื่องอัตลักษณ์เรื่องอะไรเนี่ยไม่ครบเคยมีอย่างนะบ้านเราเนี่ยโอ้โหเรื่องสถาบัานไหนเนี่ย เสื้อนักเรียนก็ต้องมีโลโก้โลโก้ปักไม่พอต้องเป็นโลโก้ที่เป็นเข็มกัดด้วยโอ้เราดูเหมือนธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราอยู่ชนินแล้วกันเรื่องนชินกันละแต่บอกให้เนี่ยประเทอื่นไม่มีนั่นหนึ่งไม่มีแล้วพิธีรับน้องอะ่ะรับน้องนี่ก็คือพิธีเบยะบยรรุ่นรุ่นน้อง รุ่นน้องต้องมาบายาสตยบันกับรุ่นพี่ทำอะไรสะแสดงสแสดงว่าจงรักภักดีต่อพี่ปูกฝังไว้เลยเนี่ยมาเนี่ยเวลามีใครมาแตะสถาบันกูนี่ไม่ได้ยกทัพเลยจิหาตเลยมีตายมีบาดเจ็บด้วยนะที่สบิลิลสถาบันมีมีแบบนี้มีผู้ปกครอง เลือกลูกให้เรียนสถาบันนี้ทําไมสถาบันนี้ดังจบนี่เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีลูกฉันจะได้มีมีพักพวกมีเพื่อนฝูงที่มีหน้ามีตาในสังคมวางแผนให้ลูกในอนาคตเนี่ยเลือกสถาบันการศึกษาเพราะรู้ว่าเออคนคนใหญ่คนโตในสังคมเนี่ยเขาฝากลูกเรียนที่นี่เดี๋ยวลูกตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนเป็นลูกนายกเป็นลูกรัฐมนตรีอ่างเขาจะได้ เขาจะได้นี่ในสังคมไทยคิดกันอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยในว่าลูกแล้วลูกเข้าสถาบัานนี้เนี่ยเขาจะมีผู้ศรัทธามีเพื่อนเป็นคนดีหรือไม่ได้เป็นคนดีนี่อันนี้แทบแทบไม่ได้อยู่ในมนุภาพของบกครองเลยไม่ใช่เลยนะบางส่วนและนี่ผลที่มาจากเรื่องนี้เหมือนกันมาจากการที่บุคคลเป็นมิตร ที่จะมอบความรักใคร่ความไว้วังใจความสนิสนมเราเราไม่มีแบ่งระดับความเป็นมิตรบุคคลที่บุคคลที่มีความชอบค่านิยมในสังคมแต่ดงนี้มว่าทุกสังคมในวะสัยท ม, มุสลิมอย่างเดียวทุกสังคม ที่อังกฤษอะไรอะทีมของมอรซาลานี่คืออะไรนะดิฟบูบ้าอ่าดิฟบูแฟนแฟนขับดิฟบูนี่เขาแต่งเพลงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้มอรซาล่าเอ็งยิงเข้าประตูแล้วเดี๋ยวกูจะรับศา ส, ะสะนาอิสลามให้นี่คนอังกฤษที่เป็นพิ ษ, ษนะผมว่าฉันจะรับพิษถ้ามอรซาลานี่ทําให้สโมสรฉันเนี่ยยิงยย่งใหญ่นะกูเป็นมุสลิมแหะ แสดงว่าเขาไ ม, มไม่มีความเลื่อมใสอะไรเลยมุสลิมก็มีอะไรคล้ายๆเนี่ยก็มีมุสลิมยอมที่จะใส่สร้อยเป็นไม้กันเขนเพราะอะไรทีเจ้าของนุ่นมีอะมุสลิมใส่แล้วก็ขายจตตุคามรามเทศนีพ ม, มีบางคนเนี่ยไม่ทันไปถามมุสลิมเพิเล่นไม่ขาได้ไ ง, ไไงอ๋อศิลปะ มุสลมก็มีมันไม่มีขอบเขตนะเรื่องอากิดได้เรื่องความศรัทธาเรื่อง น, นีไม่มีคขอบเขตเลยแล้วเคยผมไปไ ป, ไปนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีพี่น้องพาไปตอนนั้นนะช่วงนั้นนะเขาบอกว่านี่มันมีมีวัดแห่งหนึ่งอะตอนนั้นเป็นแหล่งแหล่งขายไอ้ไอ้ตุกขามันอะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เอะมุสลิมเป็นแหล่งเล่นร้านขายพวกนี้เลยมุสลิมเลย ความเข้าใจแน่นอนนี่มันกเกิดมันก็เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนบุคคลจะเป็นพ่อบุคคลจะเป็นพี่น้องถ้าเขาไม่ให้ราคากับอัลลอฮฺละอูซุลศาสนาไม่ให้ราคากับศาสนาเลยอนะเราก็ควรที่จะให้ราคาตามความเป็จริงอะเป็นพ่อก็เป็นแค่เป็นพ่อเ ป, เป็นพี่น้องก็แค่เป็นพี่น้อ ง, องแต่มากกว่านั้นน่ะความลึกซึ้ง สนมไว้ใจมากกว่านั้นน่ะอันนั้นอันนั้นไม่มีสิทธิ์แล้วแฝงก็ถือว่าแฟงที่สุดแล้วเพราะศาสนาในเรื่องในเรื่องการดูต่อพ่อแม่แม้กระทั่งที่เป็นมุ้บริสุทธิ์ธรรมซาดิบนายบิวกอสกันหนึ่งในสิบคนที่ท่านนบีการันตี่าเป็ชาวสวรรค์ในอาชรบุชรีเนบิลจันสมัยอน ก่นที่จะรับอิสลามเนี่ยแซดเอร์มิโอคอสเป็นที่รู้กันว่ารักแม่มากเลยกร์ตัญยูกับแม่นี่สุดเป็นเด็กที่สุดกาตันยูกับคุณแม่เขาแม่ก็รักมากนนก็เรืองแซดเดอร์มิรับศาสนาอิสลามแม่ไม่พอใจทั้งทุบตีทั้งทรมานทั้งห้ามไม่ให้มรดกไม่ให้ทรัพย์สินร่ํารวยแต่ตระกูลช้างเขาร่ํารวย จนกระทั่งแม่ขู่ไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ําจะได้ตายและเมื่อตายแล้วเนี่ยคนจะได้ตําหนิซาดดะว่าเป็นเหตุที่ทําให้แม่ตายซาดดะอสิก็มาหาแม่แล้วก็ร้องไห้บอกว่าแม่จ๋าให้แม่รู้นะให้แม่ทราบนะว่าถ้าแม่นี่มีชีวิตหลายชีวิต มีวิญญาณหลายวิญญาณี่และแต่ละวิญญาณนี่มันออกต่อหน้าฉันเนี่ยแต่ละวิญญาณนี่ออกเพื่อให้ฉันขยับจากอิสลามเนี่ยสักตรางนิ้วหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ออกจากอิสลามเลยแม่ก็เลยหมดหวังเลยว่าลูกว่าลูกจะทิ้งอิสลามหมดหวังคือรู้แล้วว่าอิสลามสําหรับพ่อแม่ก็สําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ไดีทําให้สร้างข้อเสียที่จะก้าวรา้าวหรืออคตันอยู ต่อแม่แม่แต่น้อยเรื่องนี้มันก็มีคําสั่งสอนในอิสลามที่กํากับอยู่แล้วเรื่องกร์ตันยูต่อพ่อแม่ว่าอินเจฮะแดก์ถึงแม้ว่าเขาบังคับถึงแม้ว่าเขาสู้กับเจ้าอาลาอันตุชริกบีที่จะให้เจ้านี่ตั้งภากีกับฉันเนะี่ยเออมาพูดกับผู้สัตแทนแต่พ่อแม่นี่ต่อสู้บังคับบัญชาให้ให้ตั้งภากีจกับฉันเนี่ย فلا ตุยหัวม้าสิ่งที่เจ้าต้องทำมานันก็คือเชื่อฟังเขาในเรื่องนั้นแาซ صاحب หัวม้าในดลกนี้มารุอัลลอฮที่ถูกปฏิเสธจากพ่อแม่นะที่พ่อแม่บอกสั่งลูกบอกอย่าเชื่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์นี่บอกว่าสาบหัวมาให้ทำความดีกับพ่อแม่ที่ปฏิเสธเลาหนีคำสั่งสอนนี้มีความเลิ่อมีความเลิ่อในในความยุติธรรมแล้วแล้วคนนี้ศึกษากุศลเนี่ย ถ้าห ย, ยิบยกบางบางอยะแล้วกะดีความตามอําเภอใจแล้วก็ไม่ดูอายะห์อื่นสุระอื่นที่มันสามารถปรับความเข้าใจให้มันตรงให้มันสมดุลเลยนะอันนแสดงว่าเขาเมียกะที่นี่เขาไม่เขาไม่มีความยุติธรรมในการศึกษาเรียนรู้คํามสังสวร์อิสลาม ว, มมาวาา่าไม่จะทวหลุมมิ่งคุมเฝอเลิกขุมอัลิมุไมอัลลอฮ์เรียกว่าเขับอับดัลิมล่ะคนที่เอาพ่อแม่พี่น้อง ที่เลือกกูฟอกไม่ให้ราคากับความศรัทธาเนี่ยเรียกเขาว่าเป็นโซลิมเรียกเขาเป็นโซลิมเพราะความเลื่อมใสที่เราต้องมีต่ออัลลอฮ์นี่มันต้องเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้บังเกิดพวกเราเราเกิดมานี่เพราะใครอัลลอฮฺสุวรรณอัลลอฮฺเราเป็นผู้บังเกิด พวกเราเรามีริสกีเรามีชีวิตเรามีสุขภาพใครเป็นคนให้พ่อแม่เหรอพี่น้องเหรอใช่มาตรฐานนี้เนี่ยเราใช้กับสังคมของเราเวลาเทียบระหว่างพ่อแม่สมุนทรพ่อแม่กับญาติพี่น้องเราก็รักญาติพี่น้องแล้วก็รักพ่อแม่แต่าบางทีเนี่ยพ่อแม่นี่ยไปทะเลาะ ก, กับญาติพี่น้องก็ แล้วพ่อแม่เนี่ยก็บอกลูกว่าต้องเลือกเองต้องเลือกฝ่ายจะไปกับน้าเนี่จะไปกับแม่บางทีเนี่ยเราก็เจอปัญหาอะไรแบบเนี้หรือเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรแบบนี้เนี่ยแต่พอพอ่พอแม่รู้ว่าเราไปเยี่ยมห น, น้าเนี่ยมาแล้วอาการงอนมาแล้วไปได้ไงไปอะไรเขาเหตุผลที่เราที่เราจะต้องเลือกอ่ะเรียกพอ่อแม่ทําไมเเอา้าก็ น้ากับเป็นญาติก็จริงเขาอาจจะมีบุญคุณกับเราก็จริงแต่เทียบแล้วกับบุญคุณของพ่อแม่ละ่พละพ่อแม่ชนะแน่นอนมาตรฐานเนี้ยเนี่ยมาตรฐานเนี้ยแลา้องเชื่อใจ a l ล a h ดีระหว่างพ่อแม่แ ล, ล้ว a l ล a h ล่ะเอาก็ก็พ่อแม่ดีทำให้เราเกิดมอนกันใช่แล้วใครทําให้พ่อแม่เกิดละ่ะใครที่ให้พ่อแม่มีชีวิตมีสุขภาพ มีริสกีใครที truth, father, ่ทําให้เราเนี่ยมีริสกีมีสุขภาพมีชีวิตกอัลลอฮ์เทียบแล้วบุญคุณของอัลลอฮ์นี่มากกว่าบุญคุณของพ่อแม่ฉะนั้นถ้าเราเลือกพ่อแม่แล้วไม่ให้ราคากับอัลลอฮ์หนึ่งร้ลิมแน่นอนนี่มาตรฐานสากลเลยละเราถือว่าร้ลิมแน่นอนถ้าเรารู้แก่ใจนะว่าศาสนาเนี่ยที่จะทําให้เราเข้าสวรรค์หรือไม่เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์หรือเข้านรกนัรู้รู้ก่เรารู้แก่ใจแต่ในขณะเดียวกัน คนดีดูถูกศาสนาคนดีไม่ให้เกียรติศาสนาเราจะให้ราคากับเขาเท่ากับเราไม่มองถึงมาตรฐานม า, มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่เราได้มีศาสนาที่จะทำให้เรารอดในวันในวันเกียรมเข้าสวรรค์คนถึงนรกก็เพราะศาสนาถ้าเราไม่ปกป้องศาสนาถือว่าโซลิมถือว่าเป็นผู้อาธรรมแน่นอนดันั้นในการปรับ ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยผมขอสรุปสุดท้ายเนี่ยศา ส, สนาไม่ได้สั่งให้เกลียดใครนะไ ม, ไ, ไม่ได้สั่งให้ให้ให้แค้นให้ให้มีความรังเกียจกับใครนะบอกว่าอย่าอย่าเอาเขาเป็นอย่าถือเขาเป็นเอาเหลีย่ยมเป็นมิตรสนิทสนมมี อภิสิทธ์มีอภิสิทธ์เหนือกว่าคนอื่นที่เป็นผู้ศรัทธานี่ที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีตะกวาด้วยนะบางทีในหมู่ผู้ศรัทธาด้วยกันในบางที่เพราว่าผู้ศรัทธาเหมือนกันนะ่ะแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าเหนือกว่าผู้ศรัทธาอื่นถ้าเขาไม่มีตะกวาเหมือนกันหรือเขาก็ตะกวาเขาน้อยเราอยู่ในสังคมที่มีพี่น้องต่างศาสนิกเราก็ต้องเข้าใจหลักการนี้ให้เที่ยงแท้เที่ยงตรงตามหลักการศาสนา สิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจนี่ก็สรุปได้ในสามประเด็นสำคัญนะเรื่องแรกพี่น้องต่างศาสนกที่ไม่เป็นศัตรูที่ไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูไม่แสดงความไม่หวังดีกับอิสลามกับมุสลิมมันะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ควรไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะ ได้รู้สึกว่าเรามองเขาเนี่ยว่าเป็นว่าเป็นคนละพวกกันคนต่างศาส น, นาหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่ไม่ไดีมองเราเป็นศัตรูไม่ไดีมองว่าอิสลามนี่เป็นศัตรูแล้วเราเห็นว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยต่างศาสนิกบางคนเนี่ยเห็นงามเห็นดีในอิสลามเลยนะเวลาพูดถึงอิสลามเนี่ยชื่นชมในอิสลามมากกว่ามุสลิมด้วย อมากกวมุสลิมเองด้วยเนี่ยมุสลิมด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่อะไรไม่ชอบเนี่ยแหละการศาสนาอิสลามนี่ออกคลิปเลยบอกว่าไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้บ่นเรื่องกูระหว่างกูก่อนล้อนี่มุสลิมได้เท่เลยนะลูกหลานต้องกู้ด้วยแต่บุคคลที่มาอยู่มุสลิมเนี่ยเวลาพูดถึงศาสนาอิสลามเนี่ยเห็นงามเห็นดีชื่นชมชื่นชมศาสนาอิสลาม บางทีนดีกว่ามุสลิมคนเหล่านี้ไม่ควรที่จะให้เขารู้สึกว่าเออเราเป็นคนละพวกกันเป็นคนละคนละออคนละกลุ่มกันคนควรควรที่จะให้ให้การสนิทสนมกับเขาพอสมควรโดยเจตนานิยต์ว่าเราเราหวังว่าเขาจะรับทางนํานี่ประการแรกเป็นเรื่องสําคัญแยกตรงนี้นี่ให้ดีให้ชัดให้ชัด มีบุคคลที่มองว่าอิสลามเป็นศัตรูละมุสลิมเป็นศัตรูสสสะะะะสแสดงให้แล้วก็แล้วก็แสดงออกด้วยด้วยพฤติกรรมด้วยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นศัตรูทำอะไรกับเขาในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองที่ทำได้นี่ททำไปเลยบุคคลที่ แสดงความเป็นศัตรูกับอิสลามนะเขเป็นศัตรูเขาบอกเขาเป็นศัตรูกขาเป็นศัตรูดิเลือกเองทําทำยังไงจัดการยังไงได้เนี่ยในกรอบกฎหมายนะเพราะบางอย่างที่เราจะจัดการในกฎหมายอิสลามเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ในในในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองในกรอบกฎหมายอิสลามนี่ก็จัดการได้เลยเพราะเพราเขาไม่ให้มีไม่ให้เราได้มีทางเลือกแต่บุคคลที่มีความรู้สึกเป็นศัตรูกับมิสลามแต่ไม่แสดงออก ถ้าในเ่อไม่แสดงออกเนี่ยเราก็ไม่สามารถแสดงออกนี่ประเด็นที่สองแต่เขาไม่แสดงออกเราก็ไม่สามารถแสดงออกคือเราเขาไม่ดีบอกเขาไม่ได้ไ ม, ไดมีกิริยาอะไรสักอย่างที่จะ ม, มีคนโอ้ยคนนี้จริงๆมันรู้มันลรร์ลับอย่างนี้ก็ไม่สามารถทําได้เพราะมันสมัยท่านนาบีนี่ก็พวกมุนาฟิกีเนี่ยไง Allah ยังบอกกับท่านนาบีนะบอกมูนาวิกีนถะ้าเขาเอาไปสยอตินีมพอไปไปชุมนุมไปชุมกันด้วยกันนะนะเขาจะมีอุบายมีแผนมีหน้าทอ้อต่อว่ามุสลิมแต่นบีเนื่องจากว่าเขาทําแบบลึกลับไงไม่เปิดเผยนบีก็ถือว่าเขายังเป็นมุสลิมนี่ขนาดพวกนี้นะเช่นเดียวกัน พี่น้องต่างศาสนกบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบอิสลามเลยนะแต่เขาไม่แสดงไม่แสดงออกนี่เราก็อย่ายมีปฏิกิริยากับเขาเรื่องที่สามแต่พี่น้องต่างสาสนาที่เฉยเฉยเขาไม่มีเขาไ ม, ไม่รู้สึกอะไรถ้าคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นญาติพี่น้องจะเป็นมิตรสหายจะเป็นอะไรแค่ไหนอ่ะนะจะเป็นอะไรก็ตามเอนะเขาก็จะมีระดับแห่งความรักความสนิทสนมที่เหมาะกับเขา แต่ไม่ถึงระดับเอาลเลียมิสหายคน ส, สนิทสนมที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ควรที่จะให้ระดับนั้นมีสามหลักการที่สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดเราอย่าลืมว่าผมเคยบอกกับพี่น้องเราเหมือนอยู่ในยุคมักกะฮ์อาดุลมักกีในยุคมักกะฮ์นีท่านนบีทำอะไรสั ญ, ญลักษณ์อัตลักษณ์สโลแกนของมักกะฮ์อดทนอดทน และพยายามแสดงกิริยาแสดงมารยาทที่ดีงามที่ท่านนบีสุลต์ละละฮ์วยุสลัมบอกกับท่านนบีฟัซบิร์ซับรันเจมีล่นี่อดทนอย่างสวยงามฟัซฟะฮ์สซัฟฮ์ฮ์เมีลให้อภัยอย่างสวยงามนี่ในยุคมะกาในแบบนี้หมดเลยกิริยามารยาทที่สวยเรานี่เหมือนอยู่ในยุคยุคมะกาหน้าที่ของมุสลิมเนี่ย ก็คือแสดงกิริยามารยาทที่ดีงามที่สุดกับพี่น้อง่างศาสนกคนที่ไม่เข้าใจอิสลามคนที่ยังไม่ได้รับรู้และอย่าลืมนะครับว่าเราเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในในในสภาพที่เรากำลังดาว่าเชิงรุกเราเหมือนตั้งรับตลอดทำไมอ่ะเพราะแผน อุบายโดยเฉพาะสื่อตะวันตกเนี่ยที่สร้างอิทธิพลด้านข้อมูลดัต้าข้อมูลความรู้และกระแสนิยมให้คนเกลียดชังอิสลามที่เราเรียกไอสลามอฟูเบียเนี่ยมันทําให้มุสลิมเนี่ยแทบไม่มีเวลาที่จะรุกในการดาว่าเราเราเราอยู่ในสภาพที่พยายามพยายามตอบเขามีข้อสงสัยเราก็ตอบ แล้วเรายังไม่ค่อยมีศักยภาพเพียงพอที่จะหักล้างกระแสนิยมเนี่ยอย่างสิ้นเชิงยังไม่มีมุสลิมใครหรือใครที่มีทุนมีความสามารถที่คิดจะลุกทำอะไรนิดนึงก็ก็จะโดนโดนโจมตีเหมือนกันจนไม่สามารถทำทางานได้อย่างยั่งยืนฉะนั้น เราอย่าลืมว่าเราอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเหมือนสมัยท่านดบีราซาร์ว่าอยู่ที่มะกะสภาพที่อ่อนแออดทนอดทนจนกว่าอัลลอฮจะอนุญาตจนกว่าจะถึงโอกาสที่เราสามารถที่เราสามารถทำงานในเชิงลุกมากกว่านี้ผมมองว่าบางทีเนี่ยจังหวะในการทำงานเชิงรุกเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ซับซ้อนอาจไม่มีใครเห็นด้วยทุกคนเช่น บนโลกเนี่ยโอ้บนโลกนี่คุยได้เป็นปีเลยเนี่ยคุยได้เป็นปีเลยถึงกระดาษที่บางคนเนี่ยอันนี้อันนี้สุดโต่งหน่อยนะอันนี้สุดโต่งเพราะว่าที่โอกาตานี uh, ่ส uh, ุดยอดเลยอ่ะเวลาเขารับไอ้ถ้วยเนะ่ถ้วยก็ได้ถ้วยใช่ปะถ้วยบนโลกอ่ะเวลาเขารับถ้วยเนี่ยเขาใส่เอออันนั้นน่ะเป็นชุดเจ้าเบาเป็นเสื้อเจ้าเบาของของอาหรับ เขาบอกว่านั้นสุดยอดทําไมเอยเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยมันจะถูกจารึกอีกหลายสิบปีคนจะดูภาพเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็ต้องถามไม่นี่ชุดอะไรเนี่ยเขาเนี่ยชุดพวกอาณาพวกมุสลิมพวกนั่นนะ่ะเขาก็บอกว่ากต้านี่สุดยอดนี่ดาวา่าอิสลามขนาดนี้อันนี้สุดตรงอันนี้เกินไปอ่ะอันนี้มันไ ป, ไ, ป, ไ, ปไกลๆมากเลยอ่ะกต้ตาจะเออะอะไรนี่ก็เป็นดาว่าหมดเนาะ อูนำประเทศในมาเชียทีมนี่ผมก็เนี่จะได้ดาว่าเขามันเยอะมันเยอะนี่นะทีโมร็อกโกดูดิเขารู้หลัการศาสนาขอบคุณอัลลอฮ์นี่ชนะก็สูดแพ้ก็สูญเห็นไหมมันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวมีเกี่ยวนี่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เว่อมันมันมันเลยเถิดมันเกินน่ะแต่ที่พอที่จะชื่นชมได้อนะว่าเขา ถือโอกาสคนไปประเทศเขาทั้งทีเขาต้องมีข้อสงสัยทำไมอย่างงู้มันทาไมอย่างนี้เขาก็เตรียมเตรียมแผ่นภัพเตรียมบูทเตรียมอะไรทุกสถานที่เลยอันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นงบเอกชนแนตะ่เป็นงบของรัฐนี่แสดงว่ารัฐรัฐสนับสนุนอันนี้อันนี้อันนี้เราพูดตามเนื้อผ้าเลยน ะ, ะเพราะก็ะดามไม่ต้องทำก็ได้ ไม่ไม่ต้องให้กระทรวงกระทรวงเอากอบเนี่ยอ่ไปทําแผ่นจารึกในแต่ละที่เนี่ยมีฮะดีสนี่ะอันนี้งบของรัฐนะก็ไม่ต้องทาก็ได้แต่ทําแบบนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคแหะแตถือว่าเป็นการเผยแพร่ในทางอ้อมระดับหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นการเผยแพร่เชิงรุกคืออย่าลืมว่าบนโลกเนี่ยทุกครั้งอะนะ แมชชีนารี่คริสเนี่ยสถาบันคริสโบด ท, ทุกนิกายเนี่ยเขาก็ดาวน์ในล้วว่าในสนามเลยนะเผยแพร่แจกไบเบิลในในสนามเลยนะขนาดที่ดูบอลเนี่ยแจกไบเบิลมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาก็เรื่องนี้ก็ไม่เคยมีใครต่อต้านกระต้ามากหรอกเพราะเขาเขารู้ไงเขาก็ทํากันมนะันไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดก็ถือว่าเชิงรุกเหมือนกันแต่ที่เรามองว่ามันจะเป็นเชิงรุกมากกว่านั้นนะ่ะ การที่เราได้เผยแพร่ลามในทุกมิติของวิถีชีวิตเผยแพร่伊斯ในเชิงเศรษฐกิจเผยแพร่伊斯ในเชิงเทคโนโลยีเผยแพร่ลามในเชิงสื่อการเมืองและพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักการสลามีประสบความส